เธอไม่เคยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็น ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนก้างเธอนานแค่ไหนก็ตามใ รู้เมื่ อ, อไรที่เธอจะมองมาที่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่เห็นคนที่พร้อมจะทาทุกอย่างพร้อมจะคว้าจะมาทุกๆ ท, ทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปบใครคนไหนฉันเธอไม่ยอมป่อยใครไม่ยืนข้ามเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามจะมีเธอ ก็เพราะว่าเธอคือคนคนนั้นที่ฉันต้องการจะครอบครองใจข้างในมันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกหาจะทำให้เธอได้รับรู้ เดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมมีเธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่